คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องเพราะเราเห็นแล้วต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองจากที่ไม่ดีให้มาดีจากที่เป็นอกุศลเศร้าหมองให้มาเป็นกุศลผ่องใสวันนี้ได้นำตัวอย่างสองเรื่องราวของบุคคลที่แก้ไขปรับปรุงตัวในเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องของท่านพระองคุลิมาน จากซีเรลคิลเลอร์นักฆ่าพันศพมาแก้ไขปรับปรุงจนเป็นพระอรันขึ้นมาได้ด้วยการเห็นพุทโธและเรื่องของทีคาวุกุมารจากที่มีความแค้นฝังใจเก็บมานานกับพระเจ้าบรมทัตจะประหารให้ตายตกไปตามกันที่ฆ่าพ่อค่าแม่ของตนทั้งที่มีอาจยาสตราวุธในมือ แต่ยังมีขันติคือความอดทนยังมีสรุร จ, จัรคือความสงบส ง, งียมเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองได้เรื่องของที่ขวุกุมันขอเชิญราฟังพระสูตรว่าด้วยโจรชื่อองคุลีมานอังคุลิมาลาสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่ส3สาข้อที่ สามร้อยสมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณประเชตวันอารามของท่านนาทะบินทิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวทถีสมัยนั้นในแคว้นของพระชาบาเซนที่โกสนมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนยาบช้า มีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจนอุงกุลีมานั้นก็กวนชาวบ้านชาวนิคมชาวชนบทให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลายัยสวมขอไว้เพราะนั้นเวลาเชา้า พระผู้มีพระภาคกรองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบินดาบายังกรุงสาวัตถีเมื่อส่งเที่ยวบินดาบาเสร็จแล้วกลับจากการบินดาบาภายหลังเสวยพระทหารส่งเก็บงำเซนาสนะถือบาตรและจีวรเสด็จไปตามทางที่โจนองคุลีมานซุ่มอยู่ ก็พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาพบพระผู้มีพระภาคพี่กําลังเสด็จไปตามทางที่โจรองค์กุลีมานซุ่มอยู่จึงได้กราบทุนกับพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่ท่านสมณนะท่านอย่าเสด็จไปทางนั้นในทางนั้นมีโจรชื่อองค์กุลีมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคน ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายชนองคุลีมานั้นก็กวรชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเขนข้ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ข้าแต่ท่านสำเนะคนที่เดินทางนี้ต้องรวมพวกกันได้สิบคนบ้างยี่สิบคนสาสิบ สิบหรือห้าคนบ้างก็ตามแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมือของโจรองคุลีมาจนได้เมื่อคนพวกนั้นกรบทุนอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ส่งนิ่งเฉยเสด็จดำเนินต่อไปแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาที่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปสุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมา ก็ได้กราบทูลอย่างนั้นแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สมพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งเสด็จดำเนินต่อไปขณะนั้นโจรองคุลีมานได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้คิดว่าน่าสัจจริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลย คนที่เดินมาทางนี้จะต้องรวมพวกกันให้ได้1ิบคนบ้าง20ิบคนบ้าง30 40ี่สหรือห0สิคนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของเราแต่ทำไมสมณะนี้เพียงรูปเดียวไม่มีเพื่อนสักคนชะรอยจะมาคมเราทางที่ดีเราจะบึงค่าสมณะรูปนี้เสียเรื่อดแบบนั้น โจนองคุลิมานจึงถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแร้งสอนใบพร้อมติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องหลังพระผู้มีพระภาคทรงบรรดาอิทาพิสังขารโดยวิธีที่โจนองคกลิมานจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่สามารถจะตามทันพระผู้มีพระภาคผู้สเสด็จไปตามปกติได้ เพราะนั้นโจนอังคุลีมานจึงได้มีความคิดว่าน่าสจัจจริงไม่เคยปรากฏเลยเมื่อก่อนแม้ช้างที่กำลังวิ่งแม้ม้าที่กำลังวิ่งรถที่กำลังแล่นเนื้อที่กำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามทันจับได้แต่ตอนนี้เราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่ทันสมณะรูปนี้ ซึ่งเดินไปตามปกติได้องคุลิมานโจนจึงได้หยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าหยุดก่อนสมณนะหยุดก่อนสมณนะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากยังไม่หยุดองคุลิมานโจนจึงได้มีความคิดว่า ก็สมณะเหล่านี้เป็นสากยบุตรมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่แท้ๆกลับพูดว่าเราหยุดแล้วหงคุลีมานท่านต่างหากจงหยุดทางที่ดีเราควรถามสมณะรูปนี้ดูองคุลีมานจนจึงได้ทูลถามพระภูมีพระภาคด้วยกาตานี้ว่า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 องคุลิมนันเราว่างอาจยาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วตลอดการส่วนท่านไม่สํารวมในสัตว์ทุลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านสิชื่อว่ายัางไม่หยุดองคุลิมันโจนจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านสมณนะนานจริงเนา ท่านผู้ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จมาถึงป่าใหญ่เพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นจะละการทำบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมะของท่านจนองคุลิมนันเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วจึงทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชัน แล้วได้ถวายอภิวาทลงที่พระบาทของประสุคตทูลขอบันประชาะกับประสุคตนะที่นั่นเองพระกุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระกรุณาคุณทรงสแสวงหาคุณัณใหญ่เป็นศาสด า, าของโลกพร้อมทั้งเทวโลกสิ่ไดตรัสกับชนองค์ุลีมาในเวลานั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิด นี่แหละเป็นภิกษุปาวะของโจรองคุลิมานนั้นตอนพระเจ้าอระณ์ที่โกศลส่งเข้าเฝ้าพระนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะคือสมณะผู้เดินตามหลังติดตามไปสเสด็จลีกเจ้าิกไปทางกรุงสามัคี ทรงเที่ยวจาริกไปโดนลำดับถึงกรุงสาวัตแล้วก็ได้ยินว่าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระราชวันอารามของท่านนาถบินทิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัติสมัยนั้นมู่ชนเป็นนันมากประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวางัง ความพระชาประเศสนิโกสนทรงเสียงดังอื้ออึงว่าถ้าแต่สมุติเทพในแว่นแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อองคุรีมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุรีมานนั้นก็ควรชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้าง ให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเห็นค่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไหม้ขอสมุติเทพจงทรงกำจัดมันเชิดเิดต่อมาพระเจ้าประสิทธิ์ดิโกสนจึงได้เสด็จออกจากกรุงสาบถีด้วยกระบวนมาประมาณ500ตัวเสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันทีเดียว เสด็จไปจนสุดทางที่ยานพานะจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชาดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วประทับนั่งนะที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตามพระเจ้าประสิทธิ์ทีโกชลว่ามหาปิฏก เจ้าแพ่นดินมคตจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิาสารทรงทำให้พระองค์ขัดเกลืองหรือเจ้าลิชวีเมืองเวสาลีหรือพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นทรงทำให้พระองค์ขัดเกลืองอย่างนั้นหรือพระชาเประเซนทิโกสนถึงได้กราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระชาตผเนดินมคตจอมเสนาพิมพิสาร ไม่ได้ส่งทำให้หม่อมฉันขัดเกลืองแม้เจ้าลิชวีผู้กรองกรุงเวสาลีก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเกลืองแม้พระราชาที่เป็นปฏิปกักษ์เราอื่นก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเกลืองเช่นกันก็แต่ว่าในแว่นแคว้นของหม่อมฉันมีโจรชื่อองคุลีมนันเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือด ชอบข่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจนองคุลีมานั้นก็กวนชาวบ้านชาวนิคมและชาวชนบทให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นข่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมลาลัยสวมไว้หม่อมฉันจะไปกำจัดมันเสียประผู้มีประภาคจึงได้ตรัสว่ามหาปิฏ ก็ถ้าพระองค์จะพึงพบองคุลิมานผูกโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันพระทหารมือเดียวเป็นผู้ประพฤติประมา์มีศีลมีกัลยาณธรรม พระองค์จะจัดการโดยสมควรอย่างไรกับเขาผู้เป็นเช่นนั้นพระเจ้าประสิทธิโกสลจึงให้กราบทุนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าเป็นเช่นนั้นหม่อมฉันก็ควรที่จะกราบไหว้รุกรับนิมนต์ให้นั่งหรือจอะจงนิมนต์ท่านด้วยจีวรบินบาทเสนาสนะ และคิลนะปัจจัยเภสั์บริการหรือควรจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันตามความเหมาะสมข้าแต่พระองค์ผู้เริญแต่โชนองคุลิมานนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมจะมีความสมรวมด้วยศีลเห็นป่านนี้ได้แต่ที่ไหนสมัยนั้นเป็นพระองคุลิมาน นั่งอยู่ในที่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาทจึงทรงยกประหัตเบื้องกว่าขึ้นชี้ตรัสบอกพ ร, ระเจ้าปเสนที่โกศลว่ามห า, าพิฏนั่นคือองคุลิมานท่านใดนั้นพ ร, ระเจ้าปเสนที่โกศลทรงมีความกลัวมีความหวาดหวัน่นมีโลมาชาชูชัน คือมีขนผองสยองกล่าวพระผู้มีพระภาคทงทราบว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลทรงกลัวจึงตรัสขึ้นว่าอยา่าทรงกลัวเลยมหาบพิษอยา่าทรงกลัวเลยมหาบพิษองค์ุลีมานี้ไม่เป็นอันตรายต่อพระองค์จากนั้นพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเมื่อทรงระงับความกลัว ความหวาดวันและโลมชาติที่ชูชันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระองค์กุลีมานถึงที่ที่ท่านนั่งอยู่แล้วได้ตรัสถามท่านพระองค์กุลีมานว่าพระกุณเจ้าชื่อองค์กุลิมานอย่านั้นหรือท่านพระองค์กุลิมานทวายพระพรว่าถูกแล้วมหาปิพิตก็บิดาของพระกุณเจ้ามีโคตรอย่างไร มารดาของพระคุณเจ้ามีโครอย่างไรมหาปิฏ บ, บิดาของอดัมมันภาพชื่อคัคมารดาชื่อมันตานีขอพระคุณเจ้าคัคะมันตานีบุตรจงอภิรมเถิดโยมจะทำความขวนขวายเพื่อถวายจีวรบินตบาทเสนาสนะและกิรณะปัจจัยเภสัชบริขาร แต่พระคุณเจ้าคักคมันตนีบุญเองก็สมัยนั้นท่านพระองคุลิมานถือทุดงกวัดในการอยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินาบาตเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดท่านพระองคุลิมานจึงถวายพระปกร์กับพระชาปปะเปอร์เซนที่โกศลว่าอย่าเลยมหาปิฏกไรจีวรของอนามาภาพ มีครบแล้วจากนั้นพระเประเปร์ที่ก่อสนจึงเสด็จเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนัที่สมควรเพื่อใดกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุคคลที่ใครใครฝึกไม่ได้ ทรงทาบุคคลที่ใครๆทำให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงทำบุคคลที่ใครๆดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่าหม่อมฉันทั้งที่มีอาจยามีศาสตราอยู่พร้อมเขยังไม่สามารถจะฝึกผู้ใดไ ด, ได้แต่พระผู้มีพระภาคไม่มีอาจยาไม่มีศาสตราเลย ยังฝึกผู้นั้นได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเะนนั้นบัดนี้หม่อมฉันขอทูนลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระราชผู้มีพระปากจึงได้ตรัสตอบว่าขอมาอาะพิษจงกาหนดเวลาที่สมควรนบัดนี้เถิดลาดับนั้นพระาราชาบาเซนที่โกศลสน ทรงลุกจากที่ประทับทวายอภิวไวพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักสินเสด็จจากไปตอนพ ร, ร, ร, ระองคุลิมานประญิงมีกันครั้นเวลาเช้าเป็นพระองคุลิมานกรองสบงถือบานและจีวรเข้าไปบินธบัตยังกรุงสามัคคีกำลังเที่ยว บ, บินธบัต ไปตามลำดับตรอกอยู่ในกรุงสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่กลากอดจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอจากนั้นเมื่อท่านเที่ยวบินาบาตกลับจากบินาบาบภลายหลังฉันบัตตาหาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับทวายอาภิวาแล้วนั่งนะที่สมควรได้กราบทุนกับปราผู้มีพระบาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสคือเช้าวันนี้ข้าพระองค์กรองสบงถือบาดและจีวรเข้าไปบินาบาตยังกรุงสาวิตีได้เห็นสตรีมีคันแก่ใกล้คลอดคนหนึ่งจึงมีความคิดว่า สัตว์ทหลายย่อมเศร้ามองหนอสัตว์ทหลายย่อมเศร้ามองหนอะพระโชกฆาพระผู้มีพระบาคจึงตรัสว่าองคุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับเธอผู้นั้นว่าน้องหญิงตั้งแต่อัตมภาพเกิดมาไม่เคยรู้ว่าจงใจปรงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจจะบาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดท่านพระองคุลิมานจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การพูดเช่นนั้นจะเป็นอันบ้าข่าพระองค์กล่าวเทจทั้งที่รู้เป็นแน่เพราะข้าพระองค์เคยจงใจปรงชีวิตสัตว เสียมากต่อมาพระชชก้าปุริมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนางนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวคำนี้ก็เธอว่าน้องหญิงตั้งแต่อนมภาพเกิดมาโดยอริยชาติไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจัวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแกท่ทารกในขันของเธอเถิดเห็นพระองคุริมันจึงทูลรับสนองประดนัดแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวคำนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อธรรมภาพเกิดมาในอริยชาติไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจจะาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในคันของเธอเถิดทันใดนั้นความสวัสดีก็ได้มีแก่สตรีนั้นความสวัสดีได้มีแก่ทารกในคันของสตรีนั่นแล้วตอนพระองคุลิมานบรรลุอรตะพล ต่อมา็นพระองคุลีมานลีกออกไปอยู่รูปเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็แําไม่แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งปรมาจันที่เรากุลบุตรผู้เอาเจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยู่ในปัจจุบันท้าได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมาชนได้อยู่ชบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปตนพระองคุลิมานได้เป็นพระอรันองค์หนึ่งในบรรดาพระอรันทั้งหลายขณะนั้นในเวลาเช้า เป็นพระองคุลีมานครองสบงถือบาทและจีบอเข้าไปบินดาบายังกรุงสาวทีสมัยนั้นก้อนดินที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็า ม, มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลีมานธนไม้ที่บุคลคลขว้างไปทางอื่นก็า ม, มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลีมาน ก่อนกรธที่บุคคลทั้งหลายกว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองค์ุลิมานท่านพระองค์ุลิมานมีศีรษะแตกเลือดไหลบาทก็แตกผ่าสังกติก็ขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระองค์ุลิมาน กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้ตรัสกับท่านพระหง่มกุลิมานว่าเธอจงอดกลั้นไม้เถิดปรามเธอได้เสวยวิ บ, บากรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอหมกไหมอยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีในปัจจุบันนี้แล้วก็<อ> <Lindsay> <irresponsible> ในสมัยอื่นอีกท่านพระองคุลิมาน อยู่ในที่สงัดหลีกเรนเสวยบิมุตติสุขแล้วได้เปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นว่าคนที่ประมาทมาก่อนต่อมาภายหลังไม่ประมาทเขาย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยได้ประดุดดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นคนที่ทำบาปกรรมแล้วปิดไว้ได้ด้วยกุศล ย่อมจะทำโลกนี้ให้สว่างไสวได้ประดุดดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นเช่นเดียวกันแลภิกษุที่ยังหนุ่มแน่นกวนขว้ายอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ย่อมทำโลกนี้ให้สว่างไสวได้ประดุดดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเรา พึงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตว์บุตรผู้ชวนให้ยึดถือธรธอรมเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงได้รับความผ่องแผ้วคือขันติและสังเสริญความไม่โกรธเถิดขอจงฟังตามตามการ และขอจงประพฤติตามธรรมนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่ควรเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นเลยขอให้บรรลุความสงบอย่างยิ่งแล้วรักษาคุ้มครองผู้มีตัณหาและปราศจากตัณหาคนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอน ย่อมดัดลูกสอนให้ตรงได้ช่างทากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบันดิต้งหลายย่อมฝึกตนได้ฉ น, นั้นคนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยอาญาบ้างด้วยขอบ้างด้วยแสบ้างเราเป็นผู้ที่ประผู้มีพระภาคผู้คงที่ผู้ไม่มีอาญาไม่มีศาสตราฝึกแล้ว เมื่อก่อนเราชื่อว่าอาหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าหงกุลิมานเรานั้นเมื่อถูกกิเลส ด, ดุดห่วงน้ำใหญ่พัดไปมา จึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองค์กุลิมานท่านจงดูการที่เราถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสารณะเราถอนตัณหาอันจะนําไปสู่พบได้แล้วหลังจากทํากรรมอันเป็นเหตุให้ถึงทุกติเช่นนั้นไว้มากแล้วเราพูดได้รับวิบากกรรมนั้นแล้ว จึงเป็นผู้ไม่มีนี่สินบริโภคพวกชนพานปัญญาสามมัวแต่ประมาทส่วนปราดทั้งหลายรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐนั้นพวกท่านจงอย่าประมาทยากลุกคกลีในการมเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่เป็นนิดย่อมประสบสุขอันไปบุ์ การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานั้นมาถูกต้องแล้วไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้วในมดาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมะอันประเสริฐสุดนี้เข้าถึงอย่างถูกต้องไม่ไรประโยชน์ คิดไม่ผิดแล้ววิชาสามเราก็ได้บรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำตามแล้วนังนี้แหละองคุลิมารสูตรจบว่าด้วยที่้าวุกุมันพระวินันปิด ก, ก็สัมพิยัคันธกะกระนั้นพระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งกับพิกษุทธิ์ตุยว่าพิสุทธิ์ตุลัยเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงพรณณสีได้มีพระเจ้ากาศีพระนามว่าประมต์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพ่อค้าสมบัติมากมีกําลังผลมากมียานพานะมากมีอาณาจักรกว้างขวางมีห้องเก็บพันธทัก สิ่งของมีค่าและคลังพืชพันธุ์ ญ, ญานุดมสมบูรณ์ส่วนพระเจ้าโกศลพระนามาที่กีติทรงเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสนมีทรัพย์น้อยมีพ่อค้าสมบัติน้อยมีกำลังผลน้อยมียานพาหนะน้อยมีอาณาจาักไม่กว้างขวาง มีพันธาคารห้องเก็บของมีค่าและกลางพืชพันธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์พิสุไหลายกระนั้นพระเจ้าปรมตัา์จากแคว้นกาสีจึงเสด็จคุมกองทหารนั้นประกอบด้วยองค์สีไปโจมตีพระเจ้าทีกีติแห่งแคว้นโกศลพระเจ้าทีกีติ ทรงสดับว่าพระเจ้าบรมทัตเสด็จคุมกองทหารที่ประกอบด้วยองค์สี่มาโจมตีเราก็พระเจ้าบรมทัตเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มีโอค่ามากมีกำลังพลมีพานะมากมีอาณาจักรกว้างขวางมีห้องเก็บของมีข้าวและพืชปนัญญอาหารอุดมสมบูรณ์ส่วนเราเองเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสน มีทรัพย์น้อยมีโภคะกำลังพลยานพานะน้อยอาณาจักรไม่กว้างขวางมีห้องเก็บของมีค่าและพืชพันธุ์ดันยาอาหารไม่สมบูรณ์เราไม่สามารถจะทำสงกรามแม้เพียงครั้งเดียวกับพระเจ้าปรมทัศแห่งแคว้นกาสีได้เลยอย่ากระนั้นเลยเราควรจะรีบหนีไปจากเมืองเสีนก่อนหลนั้น พระเจ้าทีกีติจึงทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีไปจากเมืองสิก่อนฝ่ายพระเจ้าปรมาทัตจึงเข้ายึดกำลังพลปาานะบ้านเมืองคลังอาวุธยุทธตปกละรและคลังพืชพันธุ์ดัญญาณของพระเจ้าทีกีติไว้เสด็จเข้าคราบกรองแดนพระนัน พระเจ้าที่กีติพร้อมด้วยมเหสีได้เสด็จไปตามทางแห่งกรุงปานาสสีเมื่อเสด็จจ่าริกไปตามลำดับรู้ถึงกรุงปานาสสีแล้วสาบวสาวเธอพร้อมกับมเหสีทรงกลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จักทรงนุ่งห่มเยี่ยงบริภาชก ประทับอยู่ในหมู่บ้านช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงปรณสศีก็ต่อมาไม่นานนะักพระมเหสีของพระเจ้าทีกีติทรงตั้งประกันประนางเกิดอาการแพทองเช่นนี้ว่าก็ในยามรุ่งอรุณฉันปรารถนาจะทอดพระเนตรกองทหารที่ประกอบด้วยองค์สีผูกสวมเกราะ ยืนอยู่ในสมรภูมิและจะดื่มน้ำล้างพระแสงขันกรณนประณเมฮีสีจึงได้ทูลอาการแพลทองนั้นกับพระเจ้าทีกีติพระเจ้าทีกีติจึงตรัสว่าแม่ทีวีตอนนี้เรากำลังตกยากจะได้กองทหารประกอบด้วยองศีผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิ และจะดื่มน้ำล้างพระแสงขันจากที่ไหนได้เล่าพระเทวีจึงกราบทูลว่าขอเดชะถ้าไม่ได้ม่อมฉันคงจะตายแน่ก็สมัยนั้นพระมุรโรหิตของพระเจ้าบรมทัตแห่งแคว้นกาสีตีเคยเป็นพระสหายของพระเจ้าทีกีติแห่งแคว้นโกศนพระเจ้าทีกีติ จึงได้ลอบเข้าไปหาพราามบุรโรหิตของพระเจ้าปรมตักนั้นถึงที่พักแล้วตรัสขึ้นว่าเพื่อนเอย๋ยสหายหญิงของท่านมีคันนางเกิดอาการแพ้ท้องเช่นนี้ว่าเมื่อยามรุ่งอรุณเธอปรารถนาจะชมกองทหารที่ประกอบด้วยองค์สีผู้สวมเกราะยืนในสมรภูมิและจะดื่มน้ำล้างพระแสงขัน บโรหิตจึงได้กราบทูลว่าพระเดชะถ้าอย่างนั้นขอหม่อมฉันเฝ้าพระติวีกรุก่นแบบนั้นพระมเหสีของพระเจ้าทีกีติจึงได้เสด็จไปหาพราบบุโรหิตถึงที่ปักก็พราบบุโรหิตของพระเจ้าบรมทัดได้แลเห็นพระมเมหสีของพระเจ้าทีกีติที่กําลังเสด็จมาแต่ไกล ก่อลุกจากอาสนะหมผ้าฉูเวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระมเหสีแล้วอุทานขึ้นสามครั้งว่าท่านผู้เริญพระเจ้าโกศลประทับอยู่ในท้องแน่แล้วท่านผู้เริญพระเจ้าโกศลประทับอยู่ในท้องแน่แล้วขอพระทวีอย่าได้ท้อพระทัยไปเลยเมื่อยามรุ่งอรุณ จะได้ทอดพระเนตรกองทหารผู้ประกอบด้ือองศีผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะได้เสวยน้ำล้างพระแสงขันกระนั้นพราามปุโรหิตจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบระมทัตถึงที่ประทับแล้วกราบทุนขึ้นมาโเดิชะนิมิตได้ปรากฏแก่หม่อมฉันอย่างนี้คือ ในวันพรุ่งนี้ยามรุ่งอรุณกองทหารประกอบด้วยองค์สีจะสวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและเจ้าพนักงานจะเอาน้ำล้างพระแสงขันลักแณ บ, บนั้นพระเจ้าบรมรทัตจึงรับสั่งกับเจ้าพนักงานว่าพนายพวกเจ้าจงทําตาม ท, ที่พระมปุรโรหิตสั่งการเถิด มหสีของพระเจ้าทีคีติจึงได้ทอดประเนตรกองทหารอันประกอบด้วยองค์สีผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและได้เสเวยน้ำลางพระแสงขันในเวลารุ่งอรุณสมความปรารถนาแลยต่อมาเมื่อพระคันแก่กรบกำหนดจึงประสูตรพระโอรสพระ ประยุรญาตได้ขนานพระนามให้ว่าที่ข่าวุต่อมาไม่นานนะักพระกุมารก็ได้ทรงเจริญวัยรู้เลี่ยงสาแล้วกระนั้นพระเจ้าทีกีติทรงมีดำริขึ้นดังนี้ว่าก็ปพระเจ้าพระมหัศแห่งแคว้นกาศีนี้ได้ก่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ให้แก่เรามากมายได้ช่วงชิงเอากองทหาร พาหนะกลังอาวุธยุโทโรธปรกรณ์จนถึงกลางพืชพันธัญญาหารของพวกเราไปก็ท่าเท้าเธอได้สืบทราบถึงพวกเราจะต้องรับสั่งให้ประหารชีวิตทั้งหมดสามคนเป็นแน่อย่ากระ์นั้นเลยเราควรให้พ่อทีคาวุกุมานหลบอยู่นอกเมืองแล้วได้ให้ทีคาวุกุมานลบอยู่นอกเมืองทีคาวุ อาศัยอยู่นอกเมืองไม่นานนักก็ได้ศึกษาศิลปะวิทยาจนครบทุกสาขาก็สมัยนั้นช่างกระบบกคือช่างตัดผมของพระเจ้าทีกีติแห่งแคว้นโกศลได้สวามิภักดิ์อยู่ในสำนักของพระเจ้าบรมตัดเขาได้เห็นพระเจ้าทีกีติพร้อมกับพระมเหสี ปลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จักส่งนุ่งห่มยิยงปริภาชคประทับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงพระนศีแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าบรมทัตแล้วกราบทูลว่าขอีชักพระเจ้าทีกีติโกชนราชพร้อมด้วยไมเหสีสรงปลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จัก นุ่งห่มเยี่ยงปริภาชกประทับอยู่ในหมู่บ้านช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงพรารณสีพระเจ้าพรมาจิตจึงรับสั่งกับเจ้าพนักงานว่าพน า, ย, าย่างนั้นพวกเจ้าจงไปจับพระเจ้าจีกีติพร้อมด้วยม่เหสีมาเจ้าพนักงานจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสไปจับพระเจ้าสีกีติ พระอมมเหสีมาถวาแล้วพระเจ้าบรมทัตจึงรับสั่งว่าพวกเจ้าจงเอาเชือกที่เหนียวแน่นมัดพระเจ้าทีกีติพร้อมกับมเหสีให้มัดไพร่หลังให้แน่นคนผมออกแล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ดังสนัน่น พาออกไปทางประตูด้านทิศใต้แล้วบันร่างออกเป็นสี่ท่อนวางเรียงไว้ในหลุมทั้งสี่ทางด้านทิศใต้แห่งเมืองพวกเจ้าพนักงานทูลรับสนองบัตรดัลลัตแล้วได้เอาเชือกเหนียวแน่นมัดมือของพระเจ้าที่กีติพร้อมกับไมหสีให้ไพร่หลังให้แน่นก่นผมออก แล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองให้เสียงดังสนัน่นก็เวลานั้นที่คาวุกุมารได้มีความดำริดังนี้ว่าก็หนานแล้วที่เราไม่ได้เยี่ยมพระชนกหรือพระชนนีอย่าะนั้นเลยเราควรไปเยี่ยมท่านทั้งสองจึงได้เดินทางเข้าสู่กรุงบารสี ได้ทอดพระเนตเห็นเจ้าพระงานเอาเชือกอย่างเหนียวมัดที่มือของพระชนกและชนนีให้ไพร่หลังอย่างแน่นหนาก่อนผมออกทูกพาตะเวนไปตามตรอกซอกซอยทุกแห่งพร้อมกับตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ดังสนั่นจึงได้เสด็จเข้าไปใกล้พระชนกและพระชนนี ก็พระเจ้าทีกีติโกชนราชได้ทอดพระเนตรเห็นทีขาวุผู้กำลังดำเนินมาแต่ไกลจึงได้ตรัสขึ้นดังนี้ว่าพ่อทีขาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนแต่ระงับด้วยการไม่จองเวนเมื่อพระเจ้าทีกีติตรัสอย่างนี้แล้ว พวก้าพลังงานจึงได้กล่าวขึ้นมาพระเจ้าทีขีติผู้นี้น่าจะวิกลจริตแล้วจึงบ่นเพอ้อใครคือทีคาพุก ข, ของเจ้าเจ้ากล่าวกับใครอย่างนี้ว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมไม่ระงรับด้วยการจองเวรแต่ระงรับด้วยการไม่จองเวรพระเจ้าทีขีติจึงตรัสตอบว่า เราไม่ได้วิกลจริตบ่นเพอผู้ใดรู้แจ้งผู้นั้นจะเข้าใจแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สพระเจ้าทีขีติได้กล่าวอย่างนั้นลำดับนั้นพวกเจ้าพนักงานได้นำพระเจ้าทีขีติพร้อมกับไมหสีตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งแล้ว ให้ออกไปทางประตูด้านใต้แล้วบรรประกายเป็นสี่ท่อนวางเรียงไว้ในหลุมทั้งสี่ทางทิศใต้ของเมืองวางยามคอยระวังเหตุการณ์ไว้แล้วพากันกลับต่อมาทีขาวุกุมารลอบเข้าไปยังกรุงปรดรณสีนำสุรามาเลี้ยงพวกอยู่ยาม เมื่อพวกยามเมาฟุบลงจึงจัดหาฝืนมาเรียงกันแล้วหาไม้มาสร้างจิตตะกาธานยกพระบรมศพของราชนกและชนนีขึ้นสู่จิตตะกาธานทวายพระเพลิงและประนมมือกระทำประทักษิณจิตตะกาธานสามรอบก็สมัยนั้น พระเจ้าบรมทัตแห่งแกนกาสีประทับอยู่ชั้นบนของปร า, าสาททอดพระเนตรเห็นทีขาวุกุมันกำลังประนมมือทำประทักษิณคือเดินเวียนขวารอบจิตตากาฐานสามรอบจึงทรงมีพระดาริ ด, ดังนี้ว่าพนักงานผู้นั้นคงเป็นญาติหรือคนร่วมสายโลหิตของพระเจ้าทีกีติเป็นแน่ น่ากลัวจะก่อความพินาศแก่เราช่างไม่มีใครบอกเราเลยก็กระนันที่ขาวุกุมานจึงหลบเข้าป่าส่งกันแสงคือร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกสับน้ำตาแล้วก็เสด็จกลับเข้ากรุงปรารณสีถึงโรงช้างใกล้พระบรมมหาราชวังได้ตรัสกับนายหัตถาจาร คืออาจารย์ผู้ฝึกช้างว่าท่านอาจารย์ผมอยากเรียนศิลปะวิทยาด้วยอาจารย์ผู้ฝึกช้างจึงตอบว่าเอาสิพ่อหนุ่มถ้าอย่างนั้นจงมาเรียนเถิดเช้ามืดวันหนึ่งพีขาวุกุมารได้ตื่นขึ้นร้องเพลงดีดพิณขอเสียงเชื่อแจ้วอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าบรมทัต ก็ตื่นบรรทมเวลานั้นพอดีได้สดับเสียงเพลงและเสียงพินที่ดังแว่วมาจากทางโรงช้างจึงถามพวกเจ้าพนัก ง, งานว่าใครกันตื่นแต่เช้าขับร้องดีดพินแว่วมาจากทางโรงช้างกดิชักรชายหนุ่มสิทธิ์ของอาจารย์ผู้ฝึกช้างคนนั้นตื่นแต่เช้าขับร้องดีดพิน คอเสียงเชื่อแ้าอยู่ที่โรงช่างพระชก้าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงพาชายหนุ่มนั้นมาเฝ้าพวกเจ้าพลังงานจึงทูลรับสนองบเรมีรัตพาที้าวุกุมารมาเฝ้าพระเจ้าบรมทัตจึงตรัสตามทีคาวูบาพ่อหนุ่มเธอตื่นแต่เช้าขับร้องดีดพินกรอเสียงเชื่อแ้่ อยู่ที่โรงช้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเธอจงขับร้องดีดพินไปเถิดทีกาบุกุมานจึงทูลรับสนองบรตํารัสปรารถนาจะให้ทรงโปรดจึงขับร้องและดีดพินด้วยเสียงอันไพเราะพระเจ้าบรมทัขจึงได้ตรัสกับสีกาวูบามันพ่อหนุ่ม เธอจงอยู่รับใช้เราเจิดทีฆาวุกุมารทูนรับสนองพระราชนำรัธแล้วจึงได้ประพฤติทานองที่ตื่นก่อนนอนทีหลังคอยเฝ้าบริบัติทำให้ถูประอัตยาศัยพูดไพระไม่นานนักพระเจ้าบรมทัตแห่งแกนกาสีก็ทรงแต่งตั้งทีฆาวุกุมารไว้ในตำแหน่งมหาเล็ก คนสนิทฝ่ายในก่อนในการต่อมาพระเจ้าประมดัตได้ตรัสกับที่ขาวุกุมารว่าพ่อหนุ่มเธอจงเตรียมรถเถิดเราจะไปล่าเนื้อกันตีขาวุกุมารได้ทูลสนองรับพระดํารัสแล้วจัดเตรียมรถไว้ทูลว่าก่อเดีชักรถพระที่นั่งเตรียมเสร็จแล้ว ขอได้โปรดทรงทราบเวลาอันควรเถิดพระชจ้าาเริ่บนั้นพระเจ้าพรหมทัตจึงเสด็จขึ้นราชรถที่ขาวุกุมานขับราชรถแยกไปทางหนึ่งจากกองทหารเมื่อเท้าเธอเสด็จไปไกลจึงตรัสกับทีขาวูบ่าพ่อหนุ่มเธอจงจอดรถเราเหนื่อยนั ก, กเราจะนอนพัก ทีฆาวุกุมารจึงทูลรับสนอพระดำรัสแล้วจอดราชรถตนก็นั่งกับสมาธิที่พื้นดินพระเจ้าปรมทัตทรงาพาดพระเศียรบันทมอยู่บนตักของทีฆาวุกุมารเพราะทรงเหน็ดเหนื่อยมาเพียงครู่เดียวก็บันทมหลับสนิทขณะนั้นทีฆาวุกุมารได้มีความดำริ ดังนี้ว่าก็ประเจ้าบรมทัศน์นี้ได้ก่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเรามากมายส่งช่วงชิงกองทหารพาหนะชนบทคลังอาวุธยุทโธปรกรณ์และคลังพืชพันธุ์ัญญหารของพวกเราไปได้โปร่งพระชนชีพของพระชนกและชนนีของเราอีกบัดนี้เป็นเวลาที่เราพบคู่เวรแล้ว จึงได้ชักพระแสงขันคือมีดออกจากฝักครานั้นทีคารุกุมารได้มีความดมริคือระลึกถึงคําของประชนกดังนี้ว่าก็ประชนกได้ตรัสสั่งเราไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าพ่อทีคาวุเจาอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้น เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรการที่เราจนละเมิดพระดารัสสั่งของพระชนกนั้นไม่ควรเลยจึงได้สอดประแสงขันกลับเข้าฝักตามเดิมแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามทีคาวุกุมานก็ทรงมีดําริขึ้นว่า ก็บรรชาบรมชัติแห่งแคว้นกาสีนี้ก็สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเรามากช่วงชิงทั้งกองทหารและยังได้บรงพระชนชีพของพระาชนกและชนนีของเราอีกบัด น, นี้เป็นเวลาที่เราพบคู่เวรแล้วจึงได้ชักประแสงกันออกจากฝักแม้ครั้งที่สก็ได้ทรงดำริว่าก็ประราชนกได้ตรัสสั่งเราไว้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 พอดีกับที่พระเจ้าบรมทัตทรงสะดุ้งพระไถยวาดวันรีบสเสด็จลุกขึ้นทีคาวุกุมารจึงได้ทูลถามพระเจ้าบรมทัตว่าขอเิดพระพระอะไรพระองค์จึงทรงสะดุ้งพระไถยวาดวันรีบสเสด็จลุกขึ้นพระราชฆาพนุมฉันฝันว่าทีคาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีกีติ แห่งแคว้นโกศลฟันฉันด้วยพระแสงขันณนะที่นี้ฉันจึงตกใจสะดุ้งหวาดวันเรียมลุกขึ้นที่นั้นทีคารุกุมารจึงได้จับพระเศียรของพระเจ้าบรมทัตด้วยประศาสายชักพระแสงขันออกด้วยประศาสขวาแล้วขู่ขึ้นว่าข้าพระเจ้านี่แหละคือทีคารุกุมาร โอรสของพระเจ้าทีคีติพระองค์นั้นก็ท่านก่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์แก่พวกข้าพระเจ้ามากมายช่วงชิงกองทหารภาชนะดินแดนคลังอาวุธยุทโธปรกรณ์และคลังพืชพันธุ์ญาหานของพวกข้าพเจ้าไปมิน้ำซ้ำํายังปลงประชนชีพของพระชนกและชนนีของข้าพระเจ้าอีกก็เวลานี้ เป็นเวลาที่ข้าพเจ้าได้เจอกู้เวนแล้วพระเจ้าปรมทัตจึงได้สบประเสียนลงแทบเท้าของทีคาวุกุมารประอ้อนวอนว่าพ่อทีคาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิดพ่อทีคาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิดทีคาบุกุมารจึงระลึกได้ถึงคําสั่งเสียของพระบิดา จึงได้กราบทูลกับพระเจ้าปรมทัตว่าก็หม่อมฉันไม่อาจจะถวายชีวิตแก่สมุติเทพได้พระองค์ตังหากที่ควรจะพระราชทานชีวิตแก่หม่อมฉันตาวเธอจึงได้ตรัสกับธีกบูบ า, าพ่อธีกวุถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ชีวิตแก่ฉันและฉันจะให้ชีวิตแก่เธอดังนั้นพระเจ้าปรมทัต แหงแคว้นกาสีและทีกาบุกุมานจึงต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันจับมือกันและได้สาบานเพื่อจะไม่ทำร้ายกันและกันก็กระนั้นพระเจ้าบรมาตัจึงได้ตรัสกับทีขาบุกุมานว่าพ่อทีขาบุพถ้าอย่างนั้นเธอจงเจียมรถเรากลับกันเถิด ทีคาวุกุมารจึงได้รับสนองพระาดำรัสแล้วกราบทูลด้วยคำว่าขอเดชะรถพระที่นั่งเตรียมเสร็จแล้วขอพระองค์โปรโดทราบเวลาอันควรเถิดถาวเธิดึ่งสเสด็จขึ้นราชรถที่้าวุกุมารขับราชรถไปไม่นานก็มาพบกองทหารเมื่อเข้ากรุงบราณสีแล้ว จึงรับสั่งให้เรียกประชุมพวกอมาต ร, ราชบริษัทแล้วตรัสตามว่าก็ถ้าพวกท่านพบทีคำวุกมุมารโอรสของพระเจ้าทีกีติพวกท่านจะทําอะไรแก่เขาอมาตย์บางพวกกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์จะตัดมือบางพวกว่าจะตัดเท้าบางพวกว่าจะตัดทั้งมือและเท้าบางพวกว่าจะตัดหู บางพวกว่าจะตัดจมูกบางพวกว่าจะตัดทั้งหูและจมูกและบางพวกว่าจะตัดศีรษะพระเจ้าปรมทัตจึงได้ตรัสว่าพนายใช้หนุ่มคนนี้แหละคือที่คาวุกุมารโอรสของพระเจ้ า, าทีกีติโกชนไรคุณนั้นใครจะทำร้ายชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เขาให้ชีวิตแก่เรา และเราก็ได้ให้ชีวิตแก่เขากระนันพระเจ้ารมาทัดแห่งแคว่กาสีจึงได้ตรัสกับทีขาวุกุมานว่าแน่พระทีขาวุคำสั่งที่ประชนชนของเธอได้ตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าพ่อทีขาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวน แต่ระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรพระราชนกของเธอตรัสไว้หมายความว่าอย่างไรทิกขาบาพุทธมันจึงได้กราบทูลว่าพอดีชักคำสั่งที่พระชนกของข้าพระองค์ตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าอย่าเห็นแก่ยาวข้อนี้หมายความว่าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยือ้อดังนั้นพระชนกของข้าพระองค์ จึงตรัสไว้ว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวส่วนคำสั่งที่ว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นข้อนี้หมายความว่าเจ้าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะักพระชนก ข, ของข้าพระองค์จึงตรัสไว้ว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นส่วนคำสั่งของพระชนกที่ตรัสไว้ว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวน แต่ระงับด้วยการไม่จองเวรข้อนี้หมายความว่าก็พระชนกและชนนีของหม่อมฉันถูกพระองค์ปรงพระชนชีพแล้วถ้าหม่อมฉันจะปรงพระชนชีพของพระองค์บ้างคนที่มุ่งประโยชน์แก่พระองค์ก็จะบึงฆ่าหม่อมฉันอีกคนที่มุ่งประโยชน์แก่หม่อมฉันก็จะบึงฆ่าคนพวกนั้นอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เวรก็ไม่ระงับ ด้วยการจองเวรแต่มาบัดนี้พระองค์กรณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่หม่อมฉันและหม่อมฉันก็ได้ทูลถวายชีวิตแก่พระองค์จึงเป็นอันว่าเวร น, นั้นระงับแล้วด้วยการไม่จองเวรดังนั้นราชนกของข้าพระองค์จึงตรัสไว้เมื่อจะสมณโคตว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับ ด้วยการไม่จองเวรลำดับนั้นพระเจ้าปรมตัิตจึงได้ตรัสว่าหน้าอสาสจริงท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีเลยท่านผู้เจริญทั้งหลายที่คาวูกุมารผู้นี้เสีเลี้ยวฉลาดยิ่งนักจึงเข้าใจความหมายแห่งคำพูดที่พระชนกตรัสไว้โดยย่อได้โดยพิสดาร ก็พระเจ้าบรมทัตร์จึงได้พระราชทานเกลื่อนกองทหารยานปานะชนบทคลังอาวุธยุตโตปรกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหานอันเป็นพระราชสมบัติของพระเจ้าทีกีติและได้พระราชทานพระราชาธิดาให้อภิเสกสมรสด้วยภิกษุทรลายคันติคือความอดทนและโสรจะ คือความสงบสงเงียมได้เกิดขึ้นแล้วแกพระราชาเหล่านั้นผู้มีอาญาและถือศาสตราวุธในมือก่อการที่พวกเธอบวชในธรรมวินยัยอันเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบสงเงียมนั้นก็จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้แน่ เรื่องที่คุกุมานจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออังคุลิมาลาสูตรและเรื่องของที่ควุกุมานที่มาในประวิไยปิดกปรารบการแตกราวกันของเหล่าภิกษุในเมืองโกสัมพีอ่านโดยพระมาหาภัยบุญอาภิกปุนโนในรายการธรรมรับรุลช่วงคลังประสูตร